ฐานะของความคิดในกระบวนการของการศึกษาเรื่องที่3ขอ้อขอความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการศึกษาเมื่อได้ทำความเข้าใจาคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการของการศึกษาพอเห็นตาแหน่งแห่งที่หรือฐานะของความคิดในกระบวนการแห่งการศึกษานั้นแล้ว ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะต่อไปอย่างไรก็ดีโดยที่ความคิดเป็นอย่างหนึ่งในบรรดาจุดเริ่มหรือแหล่งที่มาสองประการของการศึกษาเมื่อจะพูดถึงความคิดที่เป็นจุดเริ่มอย่างหนึ่งก็ควรรู้จุดเริ่มอื่นอีกอย่างหนึ่งนั้นด้วยเพื่อจะได้ขอบเขตความเข้าใจที่กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนอื่นพึงพิจารณาพุทธพจน์ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายปัจใจเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิมีสองประการดังนี้คือปารโตโคโสะและโยนิโสมนสิการโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความมีกาลยานมิตรเลย โดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราไม่เหลงเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนโยนิโสมนสิการเลยปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นได้แสดงความหมายในที่นี้ว่าเป็นจุดเริ่มหรือแหล่งที่มาของการศึกษาหรืออาจจะเรียกว่าบุคคลภาคของการศึกษาเพราะเป็นบ่อกเกิดของสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นแกนนำเป็นต้นทางและเป็นตัวยืนของกระบวนการแห่งการศึกษาทั้งหมดที่ตรัสว่ามีสองอย่างคือหนึ่งประโตโคสะแปลว่าเสียงจากอื่นหรือการกระตุ้นชักจูงจากภายนอกได้แก่การสั่งสอนแนะนำการถ่ายทอดการโฆษณาคำบอกเล่าข่าวสารคำชี้แจงอธิบายจากผู้อื่นตลอดจนการเรียนรู้ เรียนแบบจากแหล่งต่างๆภายนอกหรืออิทธิพลจากภายนอกแหล่งสําคัญของการเรียนรู้ประเภทนี้เช่นพ่อแม่ครูอาจารย์เพื่อนคนแวดล้อมใกล้ชิดผู้ร่วมงานผู้บงังคับบัญชาและผู้ใต้บงังคับบัญชาบุคคลมีชื่อเสียงคนโด่งดังคนผู้ได้รับความนิยมในด้านต่างๆหนังสือสื่อมวลชนทั้งหลาย สถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรมเป็นต้นในที่นี้หมายถึงเฉพาะที่แนะนำในทางถูกต้องดีงามให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะที่สามารถช่วยนำไปสู่ปัจจัยที่สองได้ปัจจัยข้อนี้จัดเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอกหรืออาจเรียกว่าปัจจัยทางสังคมบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถทำหน้าที่ปรโตโอโศที่ดีมีคุณภาพสูงมีคำเรียกเฉพาะว่ากัลยานามิตรตามปกติกัลยานามิตรจะทำหน้าที่เป็นผลดีประสบความสำเร็จแห่งปรโตโอโะได้ต้องสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียนหรือผู้รับการฝึกสอนอบรมจึงเรียกวิธีเรียนรู้ในข้อนี้ว่าวิธีการแห่งศรัทธา ถ้าผู้มีหน้าที่ให้ปรโตโคสะเช่นครูอาจารย์พ่อแม่ไม่สามารถทําให้เกิดศรัทธาได้และผู้เล่าเรียนเช่นเด็กๆ เ, เกิดมีศรัทธาต่อแหล่งความรู้ความคิดอื่นมากกว่าเช่นดารานในสื่อมวลชนเป็นต้นและถ้าแหล่งเหล่านั้นให้ปรัโตโคสะที่ชั่วร้ายปิดพลาดอันตรายย่อมเกิดขึ้นในกระบวนการแห่งการศึกษาอาจเกิดการศึกษาที่ผิดหรือความไร้การศึกษา ปัจัยแห่งสัมมาทิฏฐิอย่างที่สองคือโยนิสโสมนสิการแปลว่าการทำในใจโดยแยกคายหรือคิดถูกวิธีแปลง่ายๆ่าว่าความรู้จักคิดหรือคิดเป็นหมายถึงการคิดอย่างมีระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปัญญาคือการรู้จักมองรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะเช่นตามที่สิ่งนั้นนั้นมันเป็นของมัน โดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัยสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นนั้นเรื่องนั้นนั้นออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตันหาอุ ป, ปาทานของตนเองเขาจับหรือเคลือบคลุมทำให้เกิดความดีงามและแก้ปัญหาได้ข้อนี้เป็นองค์ประกอบฝ่ายภายในหรือปัจจัยภายในตัวบุคคลและอาจเรียกตามองธรรมที่ใช้งานว่า วิธีการแห่งปัญญาบรรดาปัจจัยสองอย่างนี้ปัจจัยข้อที่สองคือโยนิโสมนสิการเป็นแกนกลางหรือส่วนที่ขาดไม่ได้การศึกษาจะสำเร็จผลแท้จริงบรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็เพราะปัจจัยข้อที่สองนี้ปัจจัยข้อที่สองอาจให้เกิดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อที่หนึ่งแต่ปัจจัยข้อที่หนึ่งจะต้องนาไปสู่ปัจจัยข้อที่สองด้วย จึงจะสำเร็จผลของการศึกษาที่แท้การค้นพบต่างๆความคิดเริ่มความก้าวหน้าทางปัญญาที่สำคัญสคัญและการตรัสรู้สัจธรรมก็สำเร็จด้วยโยนิโสมนสิการอย่างไรก็ตามแม้ความจริงจะเป็นเช่นนั้นก็ไม่พึงดูแคลนความสำเร็จของปัจจัยข้อแรกคือประโตโคสะเพราะตามปกติคนที่จะไม่ต้องอาศัยปาโตโฆสะเลย ใช้แต่โยนิสโสมนสิการอย่างเดียวก็มีแต่อัจฉริยบุคคลยอดเยี่ยมเช่นพระพุทธเจ้าเป็นตน้นซึ่งมีน้อยท่านอย่างยิ่งส่วนคนทั่วไปที่เป็นส่วนใหญ่หรือคนแทบทั้งหมดในโลกต้องอาศัยปราโตโคสะเป็นที่ชักนำชี้ช่องทางให้กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งดาเนินการกันเป็นระบบเป็นงานเป็นการ การถ่ายทอดความรู้และศิลปะวิทยาต่างๆที่เป็นเรื่องของสุตะก็ล้วนเป็นเรื่องของปรตโตโศสะทั้งสิน้นการสร้างปรตโตโศสะที่ดีงามโดยกัญญาณมิตรจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความเอาใจใส่ตั้งใจจะเป็นอย่างยิ่งจุดที่พึงย้ำเกี่ยวกับโยนิโสมนัสิการก็คือเมื่อนำเนินกิจการในทางการศึกษาอํานวยปรตโตโศสะที่ดีอยู่นั้นกัญยาณมิตร พึงระลึกอยู่เสมอว่าปาระโตโคสะที่จัดสรรอำหน่วยให้นั้นจะต้องเป็นเครื่องปลุกเร้าโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เล่าเรียนรับการศึกษาเมื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นกันอย่างนี้แล้วก็หันมาพูดจำกัดเฉพาะเรื่องความคิดต่อไป